ทีนี้นัยยะต่อไปนะครับว่าอีกในหนึ่งท่านพระนุนเนี่ยนะครับแสดงการเกิดมีแห่งสมบัติคืออัฏฐปฏิสัมพิธาและปฏิปฏิภาณนะปฏิสัมพิธาด้วยอิตินะครับสงเคราะห์ลงปฏิสัมพิธาได้นะครับอิติเนี่ยนะครับเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทากับปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาที่แสดง ถึงการแทงตลอดโดยประการต่างๆตามนัยยะที่กล่าวแล้วในการก่อนคือปฏิภาณะปฏิสัมพิธากับอัฏฐปฏิสัมพิทาเนี่ยนะครับทำให้แตกฉานอาธิคมใช่ไหมครับหือคื อ, คอทำให้สามารถเข้าใจเนื้อความแห่งพระธรรมคาสอนพระนลแสดงการเกิดแห่งสมบัติคือธรรมะปฏิสัมพิทาและนิติปฏิสัมพิทาด้วยควาวสุตังนี้ ที่แสดงถึงการแทงตลอดที่แตกต่างจากที่ควรสดับเพราะอมความของอิติศรร์ไว้หรือเพราะมุ่งถึงเรื่องที่กำลังกล่าวนะครับคือธรรมะนี่เป็นชื่อของเหตุใช่ไหมครับเหตุหรือคำสอนนั่นเองนิรุตก็คือคำพูดเห็นนะันจากสุตังเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีการฟังเนี่ยปฏิสัมพิธาเหล่านี้ก็มีไม่ได้ นหนึ่งพระอนุนกล่าวคํานี้ว่าอิติที่แสดงถึงโยนิสโสมนัสิการตามนัยยะที่กล่าวแล้วนั่นเลยจึงเท่ากับแสดงว่าธรรมะเหล่านี้ข้าพเจ้าตามเพ่งด้วยใจคบคิดแล้วด้วยทิฏฐิอคนที่มีโยนิสโสมนัสิการคืออะไรครับคือคนที่เพ่งด้วยใจแล้วคบคิดด้วยทิฏฐินะครับแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเนี่ยนะครับมาตรึกมาค่อยควรจริงๆอธิบายว่าภาพปริยัติธรรมทั้งหลายที่บุคคลตามเพ่งด้วยใจ โดยนัยเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสศีลไว้ในสูตรนี้ตรัสสมาธิไว้ในสูตรนี้ตรัสปัญญาไว้ในสูตรนี้ในสูตรนี้มีอนุสนิทเท่านี้ที่บุคคลกําหนดรูปธรรมคือกําหนดอารูปธรรมคือกําหนดนามที่กล่าวไว้ในสูตรนั้นๆด้วยดีโดยในเป็นต้นว่ารูปเป็นอย่างนี้รูปมีเท่านี้นี้เป็นความเกิดแห่งรูปนี้ความตั้งเสื่อมไปแห่งรูป อันนั้นนี่อาสาธ่ของโรคนี้อาทีนวะของโรคเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ขบคิดใคร่ครวญตามเพ่งด้วยใจด้วยทิฏฐิเนี่ยนะคนเหล่านี้จะมองออกอย่างตลอดสายอันนี้อาศัยโยนิโสมนัสิการนะครับถ้าไม่มีโยนิโสมนินสมนัสิการตามตึกตามใคร่ครวญตามเพ่งทำเนี่ยนะครับจะไม่รู้ว่าคําสอนในสูตรไหนสูตรไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยพระ อ, องค์ประสงค์ถึงอะไรก็จะจันึกไม่ออกมองไม่เห็นเลยนะครับ แล้วคบคิดด้วยทิฏฐิอันเกี่ยวเนื่องกับการตรึกตรองไปตามอาการที่ได้ฟังสื บ, สบมาคือเมื่อฟังแล้วมาคบคิดแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบ ท, ะบทอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าพระพุทธพจน์นี่นะครับพระโบราณอาจารย์เนี่ยนะจะทรงจำได้ทุกคำเมื่อทรงจำหรือว่าเอาม า, าตามระลึกได้ทุกคำเสร็จแล้วท่านก็เพ่งว่า แต่ละคำเนี่ยมีความหมายแค่ไหนคำนี้เป็นสมถาทธนี้เป็นวิปัสสนาคำนี้เป็นศีล เ, เป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาเนี่ยท่านเพ่งหมดเลยที่นี้เมื่อเป็นคำเหล่านั้นเนี่ยจะต้องขยายยังไงก็คือดูลักษณะของคัมภีวิสุทธิมักคำพีวิสุทธิมักก็แต่งตามพุทธพจน์นะครับในคาถาในชตาสูตรนะครับในสังยุตตนิกายนะครับสกาทวักนะฮะ ในชตาสูตรเทวปุตตสังยุตที่มาถามว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะรกทั้งชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกหมู่ประชาเนี่ยถูกชัดอย่างนี้แล้วบุคคลเนี่ยนะจะพึงทางชัดเหล่านี้เป็นต้นได้อย่างไรพระองค์ก็บอกว่าสีเลปฏิทายาโโรสปัญโยจิตตังปัญ ญ, ญัญจะภาวายังอาตาปีนิปโกภิขุโส อ, อิมังวิชตาเยชะตังเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่านราผู้มีปัญญานะแต่ตัคุณต้องมีปัญญานะ สีเลปฏิทัยยะนโรสปัญโยเนี่ยนโรสปัญโยต้องมีปัญญาคุณต้องเป็นติเหตุกะปฏิสนธินะนะแล้วก็มีปัญญาอย่างนี้แล้วมาดํารงมั่นอยู่ในศีลเนี่ยนะสีเลปฏิทัยยะมาดํารงอยู่ในศีลจิตตังปัญญัจะท่าเจริญอธิจิตแล้วก็อบรมอธิปัญญาหวังนั้นเถอะจิตตังเนี่ยก็คืออธิจิตเท่ากับสมาธิปัญญัจะภาวะอย่างก็อบรมวิปัสนาปัญญาอาตาปี ผัสศีสมาธิปัญญาจะบริบูรณ์ได้อาศัยอาตาปีนิปโกนิปโกก็คือต้องมีสัมปชัญญะทั้งสี่ประการนะครับในการบำเพ็ญบริหารรักษาตัวภิขุแล้วต้องเป็นพิขุเป็นผู้เห็นภายในสงสารจริงๆโสอิมังวิชตาเยชะตังเนี่ยนะเขาเหล่านั้นจึงจะสางชัดได้ทีนี้ผู้ที่มีความรู้แตกฉานก็เอาผุทัพ์เหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็น วิสุทธิมรรคเป็นต้นนะครับโดยที่ไม่ขัดแย้งกับพระไตรปิฎกเลยนี่คือลักษณะของผู้ที่ขบคิดผู้ที่เพ่งแล้วมองเห็นอัดเห็นทำได้อย่างอย่างตลอดสายนะครับนี่คือลักษณะของผู้ที่มีโยนิโสมรณาการมากนะเพราะฉะนั้นจะต้องขบคิดด้วยทิฏฐิอันเกี่ยวเนื่องกับการตรึกตรองไปตามอาการที่ได้ฟังสืบสืบมานะครับจะต้องติดตามเนื้อเรื่องในพุทธพจน์นั้นอย่างตลอดสายอันเป็นตัวทนต่อการเพ่งพินิษฐ เพ่งพิสูน์แห่งธรรมะกล่าวคือยาตะปริญญานะครับอาการคร่ครวนเพ่งตรึกแบบนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญานะครับย่อมนำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้ทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นนะครับอันที่จริงแล้วสำหรับผมเองนะครับการศึกษาคำสอนเนี่ยจากถ้อยความในอัตกราเหล่านี้นะครับกระตุ้นให้ให้เรามีศรัทธานในการศึกษานะครับ โดยเฉพาะลาพังผมเองนะครับเพราะเห็นมันสมเหตุสมผลเนี่นี่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามนี้เราก็เสื่อมจากสิ่งเหล่านี้สินะ mm hmm. มันก็ทําให้ต้องเรียกเพ่งถ้าไม่เรียกเพ่งก็กลัวเสื่อมนะครับ mm hmm. ทีนี้ธรรมชาติของจิตนั้นไม่คิดเรื่องนี้มันก็ไปคิดเรื่องอื่นแทนเอ mm hmm. ในบรรดาคิดเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยถามว่ามีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างเง mm ี hmm. ้ยแล้วก็ดูแล้วเอ๊ะจะทําบาป ท, ทํากรรมให้ตัวเองไปถึงไหน mm hmm. ถ้าเรามาใคร่ครวนมาเพ่งมาตรึกแบบนี้มากๆถามว่าเป็นบุญไหมเป็น มีโทษไหมไม่มีโทษใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมใกล้เข้าใจพระธรรมมากขึ้นไหมเข้าใจถ้าไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้เนานๆเข้าจะใกล้ต่อพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปไหมใกล้โอ้ดีทุกอย่างเลยไม่เห็นมีโทษอะไรเลยถ้าไม่ทาอย่างนี้จะไปทําอะไรครับ น, นะก็จากการศึกษาเหล่านี้ก็ทําให้เห็นหลักการแนวความคิดของพระเถระสมัยก่อนด้วยนะครับ ว่าท่านมีความรู้สึกนึกคิดยังไงท่านพูดอะไรท่านเขียนอะไรท่านทำอะไรนะครับนนะเพราะว่าผู้ที่เพ่งคร่ครวนแบบนี้จะนำประโยชน์ประโยชน์เกื้อกูลทั้งความสุขให้แก่ตนด้วยนะครับแล้วก็ประโยชน์เกื้อกูลสุขมาให้แก่บุคคลอื่นด้วยพระอนนเนี่ยนะครับเมื่อกล่าวคำว่าสุตังนี้ที่แสดงถึงการประกอบในการฟังจึงเท่ากับแสดงว่าธรรมะเป็นอันมาก อันข้าพเจ้าได้ฟังทรงจําได้สั่งสมไว้ด้วยวาจาแล้วสาธยายอธิบายว่าการฟังการทรงจําและการสั่งสมปริยัติไว้เกี่ยวเนื่องกับการเงี่ยโสดลงฟังนะครับเนื่องจากว่าเงี่ยโสดลงฟังทำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเงี้ยฟังแล้วก็เอาเพ่งตึกคิดไปตามเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าบทหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระนร แทงตลอดทันทีเลยหกหมื่นบทนะครับหกหมื่นบทในแต่ละพุทธพจน์นะครับมันถ้าเป็นคาถาก็ฟังหนึ่งคาถาก็คูณไปนะครับหกหมื 60, ่นคาถาทันทีเลยก็ถ้าไม่ได้เรียนคำพีเ น, นติปรกรณ์หรือไม่ได้เรียนปฏิสามพิธา ม, มาเนี่ยนะครับจะนึกไม่ออกคือคื อ, ค อ, คอลักษณะนี้นะครับตามความเข้าใจของผมเองก็คือพอท่านฟังแล้วท่านสงเคราะห์คำพีต่างๆได้นะว่าพุทธพจน์บทนี่เข้ากับคมพีไหนได้หมด เพราะฉะนั้นไอความรู้พื้นเพเดิมมีเท่าไหร่ก็หลักอันนั้นมาวิเคราะห์ก็จะเท่ากับบทนั้นบทนั้นบทนั้นนะครับคล้ายว่ามีมีวิชานั้นเป็นเครื่องตรวจสอบก็จะเห็นความสัมพันธ์ตลอดตลอดตลอดตลอดเลยอันถ้าถ้าศึกษาเนติปรกรณ์กับปฏิสัมพิธา ม, มักเป็นต้นก็จะไม่แปลกใจเลยนะครับว่าเออเป็นไปได้จริง ก็คิดดูนะครับเราไม่ต้องคิดเป็นลักษณะของผู้มีบุญสติปัญญาเราดูทฤษฎีการจุดพลุจุดตะลัยขึ้นบนท้องฟ้านะครับให้มันแตกเป็นสีนะครับจากจุดพุ่งขึ้นไปบนก่อนแล้วมันค่อยๆแตกเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆมันก็กว้างขวางมากมายจนเป็นภาพสีสันที่งดงามผู้ะพุทธพจน์หนึ่งคำก็เหมือนกับพลุใหญ่ๆนั่นเองนะครับสติปัญญาที่ท่านมองกระจายแตกฉานไปก็เหมือนกับพลุที่แตกตัวแตกตัวก็มองดูได้งดงามวิจิตนั่นเอง ถ้าไปดูภาพที่เขาจุดพูดจุดตะไยในงานต่างๆนะครับทิ้งงามๆนะพระอ น, นุนี้แสดงความบริบูรณ์แห่งอัฏฐะและพยัญชนะโดยภาวะที่ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทั้งสองนั้นจึงทำให้ผู้ฟังเกิดความเอื้อเฟื้อในการฟังนะครับนี่หูนี่ที่รับมานี่รับมาสมบูรณ์ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะนะ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะครับมีใครมั่งไม่เอื้อเฟื้อในการฟังพอเข้าใจคุณลักษณะนี้แล้วไม่สนใจฟังนี่มีไหมครับรู้เหตุผลหมดเลยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมีพระองค์มีคุณธรรมขนาดไหนพระอ น, นุรับมาเนี่ยผ้าอ น, นุรับมาแบบไหนทรงจําแบบไหนเนี่ยรู้ขนาดนี้ถามว่าไม่เอื้อเฟื้อมีไหมครับรู้จริงๆนะถ้าคิดว่ารู้หรือว่าแ้งว่ารู้นี่อีกอย่างหนึ่งแต่รู้อย่างนั้นจริงๆแล้วทรงจําอธิบายได้หมดแล้วนะแล้วไม่เอื้อเฟื้อในการฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แนละ้ว เพราะฉะนั้นที่ท่านอธิบายให้เห็นภาพทั้งหมดเพื่อให้เอื้อเฟื้อในการศึกษาพระธรรมคําสอนนั่นเองนะครับศึกษาคัมภี์ต่างๆในในพระไตรปิฎกเนี่ยนะอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสวานานุตรียะนะครับเป็นการฟังที่ประเสริฐเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไปเพื่ อ, อเบื่อห น, าน่ายคลายกําหนัดนะครับเพื่อเห็นทุกข์เห็นโทษในวัฏฏะเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในวัฏฏะเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อสัมโพธิหมายก็ว่าเพื่ออริยมรรคทั้งสี่เพื่อปรินิพพานนะครับคําสอนเหล่าทั้งหลายเหล่านี้นะครับ แต่ทีนี้อย่าไปใจรีบใจเร่งใจร้อนนักนะครับเพราะว่ามันธรรมะเหล่านี้ก็เป็นไปตามลําดับขั้นตอนฟังยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยจะเอาบรรลุอย่างเดียวเนี่ยก็ยังว่านะเหมือนกับเคยสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยเขาใช้ให้ไปเอาของใช่ไหมครับยังไม่รู้ว่าเขาใช้ให้ไปเอาอะไรเลยรีบพลีพผามไปนะพอไปถึงแนละ้วกลับมาใหม่เขาให้เอาเราไปเอาอะไรเนะี่ยกลับมาถามเขาใหม่อีกทีบอกถ้ารู้งนี้ก็ฟังให้จบตั้งกับต้นแล้วค่อยไปทีเดียวก็รอบเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับนะผีผาบอย่างนั้นไะง ครับมากกว่าเก่าไม่ต้องเรีบเร่ง น, นะเหมือนกับเราจะเดินทางไปธุระที่ไกลๆสักสแห่งหนึ่งเนี่ยนะข้าวของเตรียมไม่ทันเสร็จเลยนะไอ้ของสาคัญดันไม่ได้เอาใส่กระเป๋าไปด้วยสมมุตินะจะเดินทางไกลเนี่ยนะไอ้ที่ลืมเนี่ยคือกระเป๋าสตางค์เนี่ยนะครับไปเถะครับยังไงมันต้องกลับมาเอาอีกอยู่ดีทีนี้ธรรมะที่เราเรียนศึกษาให้เรียนรู้ให้เข้าใจมันก็เหมือนกับกระเป๋าสตางค์นั่นแหละครับถ้าไม่เรียบเตรียมพร้อมให้ดีตั้งแต่ต้ตนเลยอย่าเรีบนักนะครับในการเดินทางเนี่ยนะ จึงอยู่บุคคลเมื่อไม่ฟังธรรมะที่บริบูรณ์ด้วยอัถฐและพยัญชนะย่อมเป็นผู้เหินห่างจากประโยชน์เกื้อกูลใหญ่ mm hmm. เพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทําความเอื้อเฟื้อให้เกิดแล้วฟังธรรมเถิดเนี่ยนะครับให้เห็นคุณนะครับให้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นคุณของคําสอนแล้วก็ให้เห็นคุณของพระอนุ์ที่ท่านเรียบเรียงมาให้เห็นอํานาจประโยชน์เนี่ยนะ mm hmm. เมื่อเห็นคุณแล้วอย่างนี้มากๆเข้าก็ ฟังธรรมที่บริบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะเมื่อทำอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับประโยชน์เกื้อกูลที่ใหญ่ถามว่าใหญ่แค่ไหนโสดาปฏิมักโสดาปฏิพนสกท า, าคามิมกักสกท า, าคามิพนอานาคามิมกักอานาคามิพนอรหาัตตมักอรหาตาัรหาตตพนนะครับประโยชน์เกื้อกูลระดับนั้นนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์ธรรมดาทั่วๆไปเหมือนลอตเตอรี่นะครับ ก็ถ้าคิดดูนะว่าถ้าคนคำหนึงถึงประโยชน์แบบมองเป็นหวยเป็นอะไรเนี่ยนะเขาโอ้สแสวงหาเสาะหาไกลขนาดไหนก็ไปขอให้มันถูกเทอังไรเถอะนี่ก็เหมือนกันนี้ดีกว่าหวยตั้งเยอะแยะนะครับถ้าเรารู้คนรู้อันนี้สองะนะถ้าไม่ทารังเกียดในกิเลสและจะเห็นคุณค่าของธรรมะเหล่านี้จริงๆก็ด้วยคําทั้งหมดนี้ว่าอิติเมสุตังท่านพระนรเมื่อไม่ตั้งธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเพื่อตนเอง เชื่อว่าก้าวสู่ภูมิของอาสัตวบุรุษคือถ้าหากบอกว่านี่ข้าพเจ้าไม่ได้เรียนมาจากใครหรอกข้าพเจ้ารู้เองเห็นเองอย่างนี้นะพระอ น, นุ์ก็เป็นอาสัตว์บุรุษทันทีเลยนะครับเป็นมหาโจรเลยนะครับปล้นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทันทีแต่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อปฏิญาความเป็นภาษาบุกคือผู้ฟังอ่ะนะเชื่อว่าก้าวลงสู่ภูมิ ข, ของสัตว์บุรุษด้วยประการนั้นเนี่ยนะ ท่านพระนรินชื่อว่ายังจิตให้ออกจากอสัตธรรมชื่อว่ายังจิตให้สถิตอยู่ในสัตธรรมนะถ้าหากว่าผู้ใดน้มน้อมเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับลงมาว่าเป็นของตนเองประกาศว่าเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับเขาก็ชื่อว่าอสัตบุรุษและก็เป็นคนที่ดํารงมั่นอยู่ในอสัตธรรมแต่ถ้าอย่างพระนร น, นเนี่ยเป็นผู้ปฏิ ญ, ญาณว่าท่านเนี่ยนะเป็นสาวก นะครับท่านก็ยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุตรแล้วก็ยังจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมคือปริยติสัจธรรมเนี่ยนะครับมรรคหรือว่าสาัจธรรมสิประการนะครับมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งก็ยังจิตให้ดำรงอยู่ในภาพปริยติสัจธรรมก่อนแล้วก็ให้จิตดำรงอยู่ในมรรคผลในนิพพานในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ในฐานะเป็นพระสาวกนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของนะครับเพราะเราในนาําพุทธศาสานาศาสนาเนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านนะครับ นนแต่ถ้าเราเสื่อมก็ทําตัวเสื่อมแต่ทีนี้ก็เสียหายไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียหายโดยชื่อนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ความจริงแต่อันที่จริงแล้วพระพุทธเจ้ายังไงก็ไม่มีเสียไม่มีเสื่อมนะครับเพราะว่า พ, พระองค์เป็นผู้เข้าถึงคุณอันคงที่แล้วแต่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้คุณของพระองค์คนเหล่านั้นก็จะเสื่อมจากพระองค์นะครับเสื่อมจากพระสัตธรรมทั้งหลายแหละตรงนี้ก็น่าเห็นใจนะครับ อันหนึ่งท่านพระอนนนี่นะครับเมื่อแสดงว่าคํานั้นน่ะคือพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแหละอันข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วทั้งหมดทีเดียวนะฟังมานะเชื่อว่าเปลื้องตนอ้างพระาศาสดาแนบแน่นคําของพระชินเจ้าตั้งเป็นแบบแผนธรรมเนียมเอาไว้ น, นะครับโอ้คิดว่าอ้างอิงพระพุทธเจ้าดีกว่านะครับทำในนามของพระจกักรพรรดิสบายใจกว่าในนามของเราเองอะนะ รู้ว่าใครเป็นใครซะมางอย่างนั้นเน <c oughs> อันหนึ่งด้วยคำว่าอิติเมสุตังท่านพระอนนเมื่อไม่ปฏิ ญ, ญาว่าธรรมะตนเองให้เกิดขึ้นเปิดเผยคำพูดเริ่มต้นคือปุริมาพ์ว่าคำนี้อันข้าพเจ้ารับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้แกล้งกล้ า, ลาด้วยเวสาลัชยานทั้งสีประการ ก็หาอาหารด้วยเวสารัชยานสี่ประการเช่นหนึ่งสมมาสัมพุทธปฏิญญาขีนาสวะปฏิญญาอันตรายกธรรมะวาทะนิยานิยธรรมวาทะทั้งหลายแล้วเนี่ยนะพระองค์นี้กล้าด้วยสประการที่ว่านะบอกว่าเออท่านปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังมีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้หมดล็อกเงี้ยไม่มีใครข้าคัดค้านตรงนั้นหรอกนะสองนะท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่กิเลสอันนั้นอันนั้นยังมีอยู่นะอันนี้ก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านนะโดยชอบธรรมนะ เราบอกโอ้ธรรมะที่ท่านบอกว่าเป็นอันตรายต่อสวรรค์มรรคผลนิพพานไม่เป็นอันตรายจริงๆรหรอกอันนี้ก็ไม่มีใครคัดค้านโดยธรรมเราบอกเอ้นี่อริยมรรคมีองค์8สติปัฏฐานเป็นต้นนะช่วยให้พ้นจากทุกข์ไม่พ้นจากทุกข์เลยจริงรอกอันนี้ก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านโดยสหธรรมเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งสี่ประการนี้ทำให้พระองค์แกล้วกล้าว่ากั้น และพระองค์ก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งกําลังสิบประการนะทศพลยานมีกําลัง10บประการเช่นฐานาฐานนายาน์ยนที่รู้ฐานาานาฐานนายน์ที่อย่างรู้กรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันยานที่รู้ปฏิปทาเพื่อให้เข้าถึงภูมิทั้งปวงพบทั้งปวงแล้วก็ปฏิปทาเพื่อให้สําเร็จมรรคผลผนิพพานนะครับและแม้กระทั่งอาสยานุส ย, ยานยานอินริยาโปรปริยตยานนะครับ และพระ อ, องค์ยังมีปุเพนิวาสานุสตุยานจะจุตูปปาตยานอาสวัคค ย, ยานเป็นต้นเนี่ยพระ อ, องค์ก็ยังถึงหมดนี่รยานที่เป็นกำลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะแห่งบุคคลผู้องอาจอาสพิใช่ไหมครับอาสพิคือองอาจ ก, กล้า ทรงมีปกติบรรลือศีหานาถผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์นะครับถ้าบอกว่าถ้าบรรลือศีหานาถก็ให้เหมือนกับเหมือนกับราชสีนะครับถ้าไก่นี่ก็เรียกว่าขันถ้าสุนัขเขาเรียกว่าฮอนนะครับถ้าราชสีเขาเรียกบรรลือศีหานาถก็บอกว่าราชสีนี่บรรดาราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายนะครับเแปลว่าบรรลือศีหานาถนะนะทรงเป็นผู้ท ร, ร ม, มิสอนนะครับทำ ม, มิสอนหมายความว่าเป็นใหญ่ที่สุดในธรรมเป็นธรรมราชาเป็นพระราชาโดยธรรม เป็นธรรมมาธิบดีคือเป็นอธิบดีโดยธรรมผู้ทรงเป็นธรรมะประทีปนะครับเป็นแสงสว่างแห่งธรรมนะเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่องให้เห็นก็ไม่มีใครเห็นนะครับปริยัติธรรมพระโลกุตระธรรมนี่นะก็ไม่มีใครเห็นพระ อ, องค์จึงเป็นประทีปแห่งธรรมะเหล่านั้นพระ อ, องค์เนี่ยเป็นธรรมสารณะนะครับพระพุทธเจ้ามีธรรมะเป็นสารณะนะครับเป็นผู้เคารพธรรมผู้ทรงหมุนล้อแห่งสัตธรรมสิบประการเนี่ยอันประเสริฐ หมุนล้อแห่งสัตท์ธรรมคือปริยัติอารยมรรยผลและนิพานให้เป็นไปเนี่ยนะครับคือคือภาพปริยัติเนี่ยเป็นตัวอธิบายจำแนกโลกุตระธรรมเหล่านั้นนะครับผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองมานี้ควรรู้ยิ่งนะนี้ควรละนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรเจริญนี้ควรทําให้แย้งนะนะสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้รับการสอนมาจากผู้ใดเลย แต่ที่ท่านรู้เพราะท่านสังสมบารมีมาสี่อสงไขยเศษอีกแสนกลับเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ควรทําความสงสัสยหรือความแคลงใจในอัฏฐะหรือธรรมะในบทหรือพยัญชนะนี้นะเพราะฉะนั้นโอ้พระองค์นี่มีคุณธรรมขนาดนี้นะเก่งขนาดนี้แต่ช้านขนาดนี้แล้วข้าพเจ้าก็รับจํามาเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นท่านอย่ามาสงสัยเลยในพยัญชนะเหล่านี้ว่างั้นเห็นไหม ดังนี้ชื่อว่ายังความเป็นผู้ไม่มีศรัทธานในธรรมะวินัยนี้ให้พินาศนะครับทําลายไวิจิกิจฉาพวกนั้นออกไปซะทาลายความไม่มีศรัทธาแล้ว น, นั้นออกไปซะแล้วก็ยังความถึงพร้อมแห่งศรัทธาเรียกว่าศรัทธาสัมปทาให้เกิดขึ้นนะครับทําถึงพร้อมศรัทธานะตถาคตโพธิศรัทธานี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็ที่ไม่ลืมอย่างหนึ่งคือกรรมสกตารศรัทธานะถ้าหากว่าเราพลาดจากคําสอนของพระพผู้มีพระภาคอย่างนี้นะ ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ควรจะได้ก็จะเสื่อมไปนะ น, น, นะครับเพราะฉะนั้นให้ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธานะกรรมศกตาศรัทธาให้มั่นคงแต่ว่าสังสารวัตรนี่เป็นไปตามกรรมของเรานะความเป็นไปตามกรรมเนี่ยนะถ้ากรรมที่ไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยนะ กรรมเหล่านั้นนั้นจะมีโทษขนาดไหนเพราะฉะนั้นประโยชน์เหล่านี้อย่าได้ล่วงเลยไปเลยนะครับขณะที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจะได้ล่วงเลยไปเลยขณะที่พระธรรมคําสอนเหล่านี้เกิดขึ้นมาในโลกอย่าได้ล่วงเลยไปเลยขณะที่ธรรมวินัยที่ได้รับการเปิดเผยอย่างนี้นะเวลานี้ก็ไม่ควรล่วงเลยไปนะหรือว่าพระพรหมอาจทร์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่าผู้ที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ล่วงเลยไปก็นะครับ กลงคืนนี้ได้ยินเสียงจักจั่นจิ้งรีดเรไรมันร้องกบทั้งหลายมันครวนทั้งหลายเนี่ยนะครับสุนัขหอนเป็นต้นคอยรู้สึกเออทับทั้งหลายเหล่านั้นเขาล่วงเลยขณะนะ mm hmm. ดีนะไม่มีหูทิพย์ได้ฟังเสียงนสัตว์นรกเสียงเปรตหรือเสียงมนุษย์ที่รำพันเต็ไมไปด้วยทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะคร mm ับ hmm. จะรู้ว่าโหเราได้ดีแล้วถ้าพลาดครั้งนี้ก็ชวดแน่นะคร mm ับ hmm. ในชวดมันไม่อยู่แค่ชวดนะมันฉลูขานเทถะมาโรงมาเสงไปเรื่อยนะครับ mm hmm. ยาวแน่นะครับ มันทั้งเลยค่ะแต่งคำคาถาประพันธ์ว่าภาษาวกของพระโคดมเมื่อกล่าวว่าเอวเมสุตังดังนี้ชื่อว่ายังอศัธาให้พินาศยังศรัทธาในพระาศาสนาให้เจริญนะครับให้มีศรัทธาในพระปริยติาศาสนานะครับเพราะว่าปริยติาศาสนาคือคําพูดคํากล่าวคําแสดงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็คําสอนเหล่านั้นก็เป็นคําสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนะครับที่เราเราเคยสวยดกันนะครับ สัต ธ, ธรรมโชสุปสวากาตาตาที่คุณะโยมัคคปากามมัทะเพทะพินโกนะครับโลกุตรตะโอตถีปโนนะครับคำที่เป็นโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นใช่ไหมครับนั่นนะคือจะคำที่พระโบราณอาจารย์เรียบเรียงในธรรมเห็นว่าภาพรปริยติธรรมทั้งหมดเนี่ยคือคําสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระอันนี้ว่าการแทงตลอดโลกุตระก็คือการแทงตลอดอริยสัตว์ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคำสอนที่เป็นไปตามแนวอริยสั์นั่นเองอย่างเช่นที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยคือคำสอนที่เป็นไปตามแนวมัคคสัจนะครับคำสอนที่เป็นไปตามแนวมัคคสัจเพราะทุกขสัไ์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรครับเพราะมันมีอยู่แล้ว ทุกคนนี่ร่ำรวยหมดเลยชาติพิทุขาเนี่ยนะครับไม่จนนะครับผมไม่จนเลยชาติพิทุกขาชราพิทุกขามารณะพิทุก ข, ขังเนี่ยนะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตไม่ต้องมาให้อีกแล้วเพราะงั้นมีบริบูรณ์แล้ว น, นะทุกขศาสตร์นี่มีเต็มหมดเลยสมุ ท, าศาศาทัยศาสตร์นี่แหมขณะไหนที่ไม่มีตันหาน่หายากเพรา ง, งั้นสรรตันหาก็บริบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาเพิ่มให้อีกทีนี้นิพานเป็นที่สิ้นแห่งกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านี้สิ้นทุกเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วนะครับ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ประชุมลงในสไตล์ศิกขาเป็นไปเพื่ออริยมรรคพระองค์ทรงประกาศศาสนพรหมจรร์เพื่อมรรคพรหมจรร์นะครับก็จะได้แทงตลอดอริยสัตว์เหล่านั้ น, น, นแทงตลอดคุณธรรมที่เป็นโล ก, กุตระนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาที่มีในพระศาสนาเหล่านี้เนี่ยนะที่มีเกิดขึ้นในบุคคลใดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขอย่างมหาศาลนะครับ ที่นี่นะครับในลักษณะของคำเว่าเอวามเมสุตังก็สมควรนะครับจบมาบนั้นเถอะครับที่นี้ก็จะขึ้นในประเด็นใหม่นะครับว่าออมีคำถามใหม่ขึ้นมาตั้งคำถามว่าออนะผมถามใครจะตอบก็ได้อาจารย์มโมดตอบก็ได้ถามว่าเพราะเหไรในสูตรนี้ ท่านจึงไม่กล่าวคำนิทานไว้เหมือนในสูตรอื่นๆที่พระอ น, นุ์กล่าวคำนิทานเสร็จแล้วก็อ้างกาละเทศะในเวลาและสถานที่ไว้โดยในเป็นต้นว่าเอวเมสุตังเอกังสมายังเนีภควาสาวเทยียงวิหารต เ, เชตวันนนาตปินดิกาสาราเมตตรโคภควาเนี่ยทำไมคำแบบนั้นไม่มีบ้างอะ่ะมีแต่เอวเมสุตังแล้วก็อธิบายหลักธรรมไปเลยอะ่ะ ไม่บ่งถึงว่าเอ๊ะเชตวันเนอาณาถินธถกิกาศะหรือใครเป็นคนฟังใครเป็นต้นเนี่ยนะทำไมไม่ยกมาขนาดนั้นน่ะนะครับมะโมดลองตอบห น, น่อก็อบอกว่าเขาตอบไปในหนังสือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> ขอบอกว่าเพราะอาจารย์พวกอื่นได้กล่าวไว้ก่อนแล้วนะครับก็ <c oughs> คำนิทานในสูตรนี้พระเถระไม่ได้กล่าวไว้เพราะมีผู้กล่าวไว้แล้วอธิบายว่า คํานิทานนี้ท่านอานไม่ได้กล่าวไว้ก่อนแต่นางคุชุตตราซึ่งภูรซึ่งพระผู้มีาภาคเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ในเอตถคะเพราะในบรรดาอุบาสิกานางเป็นพระหูสูตรเป็นอริยะสาวิกาไดมัรรุเสขะปฏิปทากล่าวไว้ก่อนอกล่าวไว้ก่อนแล้วแก่นางสตรีทั้งห้ารอนาง ซึ่งพระนางสมาวดีเป็นประมุกนี่นนคื อ, คอลักษณะที่ว่าไม่ไม่ต้องอ้างแบบในที่อื่นๆใช่ไหมครับอย่างเช่นพรหมชาลสูตรเนี่ยนะพงค์ก็จะบอกว่าสมัยหนึ่งนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากเนี่ยนะเสด็จเดินทางไกลระหว่างอันตราจราช ข, ขังอันตราจนาลันทังเนี่ยนะครับระหว่างเมืองราชเครกกับเมืองนาลันทาในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับ ในระหว่างนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปก็มีพวกปริพาชก ค, คือสุปิยะปริพาชกและพรหมทัตปริพาชกแล้วก็ปริพาชกเหล่านั้นเ<ๆ>นี่ยนะครับอาจารย์นี่ตําหนิพระพุทธเจ้าหรือว่าสํานุนว่าด่าพระพุทธเจ้าด่าพระธรรมด่าพระสงฆ์เป็นอันมากส่วนลูกศิษย์เนี่ยชมพระพุทธเจ้าชมพระสงฆ์เป็นต้นเป็นอย่างมากว่างั้นนะถ้อยคําของชนทั้งสองก็ต่างแย้งกันและการติดตามพระผู้มีพระภาคไปโดยอาการอย่างนี้ นะอันนี้คือคำนิทานเรื่องราวก็จะใส่เรื่องราวไปก่อนนะนิทานคือเรื่องราวต้นเหตุก่อนที่จะพูดธรรมะอันนี้แต่ทําไมที่นี้จึงไม่แสดงเขบอกว่าเออไม่ต้องแสดงรอ้องคือผ้า้นนต้องแสดงแบบนั้นหรอกเพราะมีผู้อื่นแสดงแล้วถามว่าใครแสดงก็นางคุดชุดตราไงนะนางคุดชุดตราเนี่ยท่านแต่งตั้งไว้แล้วนะเป็นเป็นเอตทักฆะใน บรรดาอุบาสิกาทั้งหลายผู้บรรลุเสขะปฏิสัมพิทาคือแตกฉานในปฏิสัมพิทาแบบพระเสกขเนี่ยนะได้กล่าวเรื่องนี้ไว้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่านางคุชุตระานี่วางไว้แล้วกล่าวไว้แล้วที่ไหนก็คือกล่าวไว้แล้วคือนางคุ ช, ชุตระานี่สอนทำให้แก่พระนางสา ม, มาวดีเป็นต้นคล้องกับหญิง500อนะครับเนี่ยนะทีนี้นางคุ ช, ชุตระานี่เป็นใครเนี่ยนะ นะเรื่องราไปยังไงมายังไงก็คือต้นฉบับของอิติวุติกะเนี่ยนะครับสำนวนว่าอยู่กับนางคุชชุตรามัางค์นั้นแ่ะทานในสมัยพุทธกาลนะแต่ไม่ใช่พระอ น, นุ์ไม่รู้ท่านก็รู้แต่ว่าคือคือสมัยก่อนเนี่ยนะพระเทระทั้งหลายแหละเนี่ยท่านยังไม่เอาดีเฉพาะตัวมังค์นั่นะท่านกระจายความดีกันทั่วๆไปใครมีดีส่วนไหนก็จะยกย่องส่วนนั้นเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีภาษาวกเป็นอสีติอสีติแปล ว, ว่า80สิ ก็แสดงว่ายกย่องในความสามารถแต่ละตูแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านไป ต, ต, ตามสมควรสํานวนว่าเป็นผู้ที่เผื่อแผ่กระจายความดีออกไปนะครับไม่ห่วงกั้นใครดีแง่ไหนชมแง่นั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณของสาวกทั้งหลายก็จะเด่นชัดอย่างนี้ดีไม่ดีอุบาสิกาบางท่านพอมาฟังประวัตินางคุชุตรานะครับส่วนที่แสดงธรรมแล้วคนอื่นบรรลุแตกชั้นในปฏิสัมพิทาอาจจะตั้งความปรารถนาอีกแสงกับเขาจะได้เป็นเอตทะขะอย่างนี้ข้างหน้าก็ได้นะครับ